ปัญญาควรก่อสร้างศรัทธาศีลเพื่อต่อรองเพื่อเป็นหลักมอกจาก น, นั้นก็มีสติใจ ด, ดีเอาไว้อย่าผลผันผลแล่ น, นเห็นอะไรอะไรเกิดขึ้นกับตัวเองกับคนอื่นจึงอื่นหนักแน่นไว้ผู้วรรลุธรรม ให้มีส่วนประกอบลหลายอย่างสร้างชีวิตล่องมาเยตัวเองเอาอย่างพระพุทธเจ้าเอาอย่างเราสาวกจุลลูกมีเอตตคะทะะต่างๆกันไปเราก็เอามาสอนตัวเราในตัวเรานี้ก็มีพระสูตรสูตรปุญสูตรบาป สูตรผิดสูตรถูกสูตรรู้สูตรหลงในตัวเรานี้จะ อ, ออกไปข้างนอกมันมีหลักสูตรโจรมีปัญหาอะไรมีสูตรสำเร็จงั้นเราเรียนคณิตศาสตร์โจทย์มันมีจำเลยมันมีเย่โจทย์เรานี่เป็นจำเลยมันมีโจทย์ ทำให้เราเป็นจเลยของปัญหามียิเหตันาามีความโลกโกรธหลงความทุกข์ความเลอะความชังความหลงอะไรต่างๆเราก็รับใช้สิ่งเหล่านี้เป็นชี้ค่าเป็นทาตของเขามาประกาศอิจราภาพมีสติเป็นตุลาการพิาพากษาฟ้องมันลงไป มันก็ไา่หลักฐานและเห็นรูปแห็นนามรูปทรมนามธรรมได้หลักฐานมัดมันแช่ต่างมันก็หลุดออกไปหลุดพ้นจากกิเลสตัณหาได้เราก็มีครูอาจารย์เรียนตามพ่อก่อตามครูอยู่พระุเจ้าเป็นบรมครูของเรา ไปมาถึงรุ่นครูอาจารย์ของเรามาตลอดมาตามสายเทราวาดมีอาจารย์ตั้งแต่นดูดมหากส ป, ปะวารีอาโดนนุทธะโมคคลานะสาลีโวดเป็นเทระสงเป็นเทราวาดทรงทําวิไหนประกาศสร้าง ปีดกไตรพปีดกขึ้นมาเพิ่มให้เรือนรางล้อยกองเอาไว้แล้วก็เป็นจริงธรรมะที่เราเรียนตามในพระสูตรก็เป็นจริงจะตัดออกไม่ได้จะเพิ่มเติมไม่ได้แต่เนี้ยเราจะปฏิเสธธรรมะก็เท่ากับปฏิเสธตัวเองเราปฏิเสธตัวเองก็เท่ากับปฏิเสธธรรมะ แล้วก็มีกรรมเหมือนกันมีบาปมีบุญเหมือนกันมีผิดมีถูกเหมือนกันจนมาถึงยุคนี้สมัยนี้รุ่นของผู้เทียนสอนพวกเราก็เวลานี่แหละทําวัดเช้าทุกวันทาวัดเย็นทุกวันแล้วก็ทําตามสมัยขงบุญเจ้า ที่สามพระ อ, องค์ก็มองสอดโลกใครอยู่ในเครือข่ายผู้ที่จะบรรลุทำอะไรบ้างมองหาวาสกคนนั้นวาชิกาคนนี้พระสงฆ์รูปนั้นว่าสงฆรูปนี้เป็นสัญญาณสัญญานในใจในเครื่องรับใค้รู้ได้ยินได้ฟังมาบ้างเหมือนหมอ ตรวจโรคของเราเขาก็ความรับของเราเอาเหตุเอาข้อมูลจากเราแล้วก็ให้วินิจฉัยโลกก็หายามาใส่รักษาโรคได้ต่างนตาเนี่ยเป็นโรคมะเร็ง ก, ก็เนื้อตัวเวลําคอเขาวินิจฉัยไปตรวก็มาตัดแล้วก็เนื้อรำคอไปพิสูจน์ เราว่าเป็นโรคมะเร็งอันดับที่4แล้วแล้วก็ให้ยารักษาวื่นวายไปหมดแลยอ๋อสารสก็แฝกมาหลังพ่อป่วยเป็นโรค ก, ก็เนื่องจาอ่อนไม่มียารักษาเลยตอนนี้ก็บอกไปว่าก็เนื้องจาอ่อนมันเป็นก้อนเนื้อโตเรลรําคอขยายไปสู่ตับอ่อน เออถ้าอยานั้นรักษาได้ให้เจีมโมตัวใหม่เข้าไปเลยเจ้าพเจ้าพิเศษวิทยการรักษาอื่นใดทั้งสิ้นให้เจโมให้หลวงพ่อหายใจได้เนี่ยเขก็อภิษใช้ไอ้ตัวเรานี้มันก็มีเหตุมีปัจจัยทุกมันมีเหตุทุกเป็นผลเหตุมันคือความหลงอยไปเจอทุกแก่ความหลงนั่นก่อน มันหลงกมหลงที่แก้ได้คือความรู้สึกตัวเนี่ยเราก็ทำได้ไม่ต้องไปขอใครแล้วเราก็ช่วยกันพระอาจารย์ที่อยู่ที่นี่นอกจากการทรงเส์วัฒชัยเมยยานทอาจารย์หลวงพ่อหมวนอาจารย์ใดติ๊กบ้างตองหมิงบ้างหรือใครหลายๆรูปอยู่เนี่ยก็ต้องติดตาม ล้วผิดชอบให้ลูกต่อขายใครบ้างไปยังไง้ว เ, เราจะได้ชำนาญในความเป็นวิปัสสนาจารย์ได้ในพบปะกับนักปฏิบัติอยู่เรื่อยๆใดๆถามมีปัญหาอะไรเราก็ได้ส้มเรื่องนั้นบางทีเราได้คาตอบจากเราเราก็ไปตอบให้เขา ที่มีปัญหาที่ไม่มีปัญหาต่งก็สมสนูนตคางก็แก้ปัญหาให้แล้วก็ได้ข้อมูลทั้งสองฝ่ายต้องมันก็จำนานเรื่องการสอนมากการพบปะบ้างการสอนธรรมะที่ให้ผลได้อาจารย์ผพ้สอนต้องพบปะกับนักปฏิบัติธรรมได้ข้อมูลจากผู้ปฏิบัติอย่างน้อยสี่ห้าคนวันหนึ่ง เราก็มาพูดเป็นปัจจุบันให้การฟังเหมือนหรอเป็นครูนักธรรมเราเรียนจบมาถ้าไม่สอนนักธรรมแหละลืมลางลืมไปหมดต้องมาสอนนักธรรมดูตอนเราสอนนักธรรมเนี่ยเราได้ความรู้กว่านักเรียนด้วยซ้ำไปเวลาเขาเรียนบทต่างๆหมวดต่างๆในธรรมะ หมวดต่างๆในวินยัยหมวดต่างๆในพุทธประวัติอนุพุทธประวัติพุทธานุพุทธประวัติเราสอนสอนวิชาแล้วก็จานานแล้วก็เจงสอนเท่าไหร่ก็รู้เท่านั้นอาจจะรู้มากกว่านักเรียนจานานในการสอนจานานในการรู้หมอที่มีประสบการณ์ถามประสบการณ์เฉพาะวิชาอะไรต่างๆก็ประเดียนอีกแขนงหนึ่ง ทำงานาในการผ่าตัดแทมนานอะไรต่างๆเรียนจบวิชารวมมาแล้วต้องไปประสบการณ์อีกเราก็เป็นดักสอนธรรมะเห็นผิดเห็นถูกเห็นปัญหาเห็นอะไรต่างๆได้เกี่ยวข้องกับปัญหาบ้างก็ทำให้เราชมนิชนานไปจบการขึ้นว่าเีอยสอนเราเวลาที่เราไปไปฏิบัติ แล้วก็ยังอยู่ในหัวใจเราอย e ู่ได้ยินเสียงหลวงพ่อเทียนพูดอยู่เห็นอยู่เวลาเราหลงเวลาเรารู้เวลาเรามีปัญหาเวลาเราไม่มีปัญหาหลวงเทียนก็สอนเราแม่หลวงพ่อเทียนมาสอนโดยตรงตัวต่อตัวก็มาสอนเวลาทําวัดเราก็เจ็บเอาฟังทาวัดทุกวันไม่ขาด แม้จะปฏิบัติคข่งกรรมฐานคร่งขนาดไหนก็ยังทำวัดอยู่มาฟังถึงใดที่หลวงพ่อเดียนพูดเรายังไม่เข้าใจพยายามให้เข้าใจเมื่ออยากไปแจ้งพยายามทำให้แจ้งถึงใดที่หลวงพ่อเดียนพูดแล้วเราก็ผ่านไปซ่อมดูจนเห็นรูปเห็นนามเนี่ยมันจริงไหมใช้ได้ไหมห้าโบคาเท่าไหร่มาได้สิบจริงไหม ทำแล้วทํำเองมันก็ลงตัวห้ารูป้าได้เท่าไหร่เหลือหรือได้โอ้มันออกไปแล้วหมดแล้วออกมาทําดูมันก็หมดไปเป็นสูตรสาเร็จอยู่ความหลงความรู้มันใช่ได้ไหมความหลงมันใช่ได้ไหมความรู้มันใช่ได้ไหมความหลงกับความรู้อะไรเป็นธรรมความทุกข์ความไม่ทุกข์ความโกรธความไม่โกรธมีไหมมี เว้าปฏิบัติไปฉายออกมาหมดเลยมันทวนเสีมัน ท, ว น, ทวนเกอมเคยคินเปเื้อนอะไรมามันจะฉายออกมาเหมือนภาพมันเป็นเลนชีวิตทำดีมันก็ติดมาทำชั่วก็ติดมางอนนั้นเนี่ยสนุกก็มีเวงช่วมากก็สนุกสนุกแล้วสนุกเปลี่ยนแปลงแต่งงคนที่มาเนี่ย มันหน้ามือแล้วมือทันทีจนออกจากปากของอมริมันแต่ก่อนนี้เราถูกเมฆหมอกควคุมเหมือนพระจันทร์อยู่ในเมฆหมอกไม่รู้อะไรวันนี้เราพ้จากเมฆหมอกเสียแล้วเหมือนพระจันทร์พ้จากเมฆสว่างสวย โยจะวิชิตังสีเวกุสีโตหิวโยปปุเพปะนัตคิดว่าวปัจจ้าโสนปะมัสติโสมังโลกังโมภาเสติอปภะมุโตวัตวจฉันทิมาตันทิมาพ้นจากเมอุทานออกมาอุทานอาอกมาโอทูมันสลดสลดสองเวก ตัวเองสงสารตัวเองลำตาล้วงเคยสงสารตัวเองที่มีทุกข์เห็นทุกข์หนูเฮ้ยลำตาซึมเลยเราไม่จับช่วยตัวเองสมไหมกอนบางทีเอามาทุกด้วยใช่ไหมความทุกข์นอนอยู่กับความทุกข์พอใจนะความทุกข์ใช่ไหมพอใจพอใจความปวกก็พอใจ เาว่า ง, งั้นเขาว่าอย่างนี้เขาทำอย่างนั้นาทำอย่างนี้กูไม่ยอมกูก็ยอมพอไม่รู้จริงจริงนะมีใครรู้เรื่องนี้ไม่มีใครรู้ไม่รู้หลวงพ่อก็ไม่รู้เนาะพอใจในความโกรธพอใจในความทุกข์พระกู่โกรธต่อยไม่ลืมแล้วหน้าบูดตามเมงเสกันเห็นกันครโกรธเอาวางกันเลยไม่รู้จักอ๋สอสงสารตัวเอง พอมาเห็นเราพูดตัเราอยู่ในความทุกข์เราอยู่ในความหลงไม่รู้เลยเหมือนนอนอยู่ในคูดไม่รู้จะคูดหรือว่าเป็นเรื่องดีนัาวรรธน์นกับกรอบสุด ห, <c oughs> หล่อฟังไหมเล่าร้ายทีแล้วเอ่จนหกนะเพื่อนสองคนลักกันไปไหนไปด้วยกันวันหนึ่งเขาเป็นบุญฟังเทศกันจนกันไปฟังเทศ แต่เพื่อนคนหนึ่งเกิดลูกป่วยไม่มีอาหารในลูกกินต้องไปหาปลาจะปลาแต่ไม่ได้ไปฟังเทศกับเพื่อนไปหาปลาอยู่ในห้วยในหนองใจเราบรรจุที่เสียงคล้องตีอยู่ที่ว่าห้ยห้วยฟังเทศจู่โอ้ยเสียใจเลยเราไม่ได้ไปฟังเทศกับเพื่อนเนาะเพื่อนเราคงจะดั้งวังเทศอยู่โน่นแล้วเราเนี่ยจําเป็นนะ ไม้ได้มาไปฟางเทศกับเพื่อนเลยถ้าไมมาหาอาหารให้ลูกกินลูกก็ไม่มีอาหารต้องหาจะบปลาใจอยู่ที่การฟังเทศแต่เพื่อนที่ไปฟังเทศนั่นโอ้ยกูเสียเปรียบเพื่อนแล้วกูไม่ได้ไปจับปลากับเพื่อนแล้วปลานี่เพื่อนของกูคงจะจับปลาตัวใหญ่คงสนุกดีล่ะคิดถึงแต่เพื่อนไปจับปลา มันก็ได้คนละอย่างใจไม่ตามใจไม่ใสคนไปจับปลาคิดถึงพระเทศแสดงธรรมฟังเทศคิดถึงเพื่อนไปจับปลาันนี้โสดเพื่อนบางคนก็ไปพบกันโอ้ยกูคิดถึงมึงเว้ยมึงจับปลาคงสนุกดีนะโอ้ยกูคิดถึงมึงเหมือนกันมึงฟังเทศคงสนุก ไม่ใช่กู ค, คิดถึงแต่บางกูเจอเสียเปียบบางะได้ปลามากไม้มโอ้ได้เต็มคลองเลยโอ้ยเสียเปรียบบางเราน่าจะมาจับปลากับมึงม่น่าจะไปฟังเทศเลยก็ <laughs> คิดเลยนี้ไปพอจบส่วนบางคนตายลงไปก็ยังรักกันอยู่ <laughs> เพื่อนดีไปจับปลาได้เป็นเทว ด, ดาหน่ิจที่มันคิดไปไม่ได้มีความพอใจในการจับปลาเลย เพื่อนจะไปพังเทศเกิดไปตกนรกหากันเพื่อนที่ไปจับปลาได้ไปอยู่สวรรค์มีความสุว่าตามหาเพื่อนเพื่อนเราไปอยู่ไหนน้อหากันไปเจออยู่ในหลมุมหลุมช่วงของพระเป็นหนอนเพื่อนอ้าวเพื่อนมาอยู่นี่ทำไมไปอยู่ด้วยกันนวลเมืองสวรรค์นวะมาอยู่นี่ทำไมน้อ ไปไปไปต้องมาอยู่นี่แล้วเพื่อนที่เป็นนอนก็เมืองสวรรค์มันดียังไงโอ้ยจะอยากจะกินอะไรก็พ่าแต่คิดจะกินมันมีให้กินให้อยู่เลยโอ้ยเมืองสวรรค์ต้องคิดเหรืออันนี้ไม่ต้องคิดเลยถึงเวลามันหล่นลงมาหรอกไม่ไปหรอกถ้ายังคิดอยู่อันนี้ไม่ต้องคิดนะโอ้อันหล่นลงไปมันคูดเป็นขี้ละ่ะไอ้เพื่อนคนที่เป็นนอนก็ ในเมือสวนมีขี้กินไหมยังตอนนีมันก็พอใจมันกินขี้มันก็ยังพอใจมันโกรธมันก็ยังพอใจไม่อายกันเลยหน้าบูดต้อาบึ้งเต็งเทียดกันด่ากันได้อมันก็พอใจไม่รู้เลยให้รู้ทุกข์ในตัวเองนะว่มาเห็นทุกข์ตัวทุกข์ สงสารตัวเองมากๆเลยตลอดใจนนี่ก็มาเห็นจริงๆไม่ใช่คิดเห็นมันพบเห็นเห็นรูปเห็นนามเห็นรูปทำเห็นนามทำมันทําดีมันทำชั่วรูปเนี่มันทําชั่วมันทําดีมันทําทั่วได้มันทําดีได้แต่ก่อนแล้วแต่เหตุปัจจัยของมันบัด น, นี้เราจะไม่ให้รูปทําชั่วไม่เห็นนามทําชั่ว เอาจะให้รูปทำดีลราใช้น้ำทำดีมีสิทธิ1้อยเปเ็ความทุกข์ความสุขที่เกิดจากความคิดจะไม่มีแล้วต่อไปนี้ความทุกข์ที่เกิดจากความคิดไม่มีแน่นอนเลยให้จิตถือความคิดนี่เป็นปกติไม่ได้สร้างความสุขความทุกข์ให้จิตจนจิตหลงรูปรรมานามำ้ำทารูปทุกน้ำทุก ลูกมันทุกข์หลายอย่างทุกข์ของลูกหายใจเข้าหายใจออกก็เป็นทุกข์สภาวะทุกข์เพื่อดำลอยเดินเดินนั่งนอนว่าวาทุกข์ตามธรรมชาติต้องกินต้องถ่ายหัวนี้ก็เป็นการเจตทุกข์ของลูกอยู่แล้ว เจ็บไข้เด็ป่วยก็เป็นทุกข์ของรูกอยู่แล้วปวดหนักปวดเบาต้องไปทุกข์ของลูกอยู่แล้วเหมือนก็เป็นก้อนทุกข์อยู่ย้งเอาความทุกข์ที่เกิดจากอุปทานดึดมั่นถือมั่นเอามาลักเอามาฉังเป็นทุกข์เป็นความเฉื่ความลักความฉังได้แต่หมดปัญญัติเข้าไปทัดตมันก็ปล่อยพอใจไม่พอใจทุกข์ทําทุก รูปโลกน้ำรลกโลกถันก็เป็นโลกอันหนึ่งต้องเกต้องเก็บ ต, ต้องตายโลกของรูปไม่มีใครป้องกันได้น่าสงสารนั่งอยู่นี้มันก็ยังหายใจเข้าหายใจออกมันแค่ทุกข์ของมันน่าสงสารสงสารสงสารแอะไรก็ไม่เท่าสงสารรูปสงสารนามไม่ค่อยใดชุดอยากช่วยเหลือ พอมาเห็นโลภทุกน้าทุกโอ้ยก็ตื่นระลุลนระเวลามันหลงค็ตื่นระลุลเปลี่ยนหลงเป็นโูภเวลาทุกโอ้ยเส้นหเปลี่ยนช่วยโลภช่วยน้ำโลภโลกน้ําโลกโลกของลูกก็เจ็บเจ็บตาเจ็บใข้หรือป่วยเป็นโลกสารพัดอย่างโลกของน้ำคือความโลภความกดความหลงความรักความชังความ พอใจไม่พอใจโลกของนามรักษาได้ไหายโลกจนมาพระเจ้าอรูเขย่ปรมาลาพาความไม่เป็นโลกเป็นลาประเสริฐพระเจ้าประกาศไปทางสี่แพกห้าแผงหายถึงโลกอันนี้ดับได้เย็นได้แล้วโลกของนามแต่โลกของรูปนี้ต้องอาศัย เหตุปัจจัยอาศัยหมออาศัยอยู่อาศัยยามันก็มียาถ้ า, า, าสารพิษกัดตอยไม่เอาโตนัวพยาลากดำออนลากนั้นตะขาบกัดแข้งป่องกัดงูกัดพยาลากดำรู้จักไหมฮะเดี๋ในวัดเรามีเยอะ กดเอาลากมันล่างดีๆฝนจะน้มามนาวให้มันเหนียวเหนียวขนก้นเรามาแปะปิดปากบาดมันไม่จะดูดขอนพิษได้ให้รู้จักอะไรบ้างเวลามีดบาดถ้าไม่มีอะไรใส่สะดุดตอเลือดออกหกล้มจุกแน่นอเลยไม่ได้อน้ำปสะจวะลาดลงไปถ้ามันอยู่ เขียนในนี่ปัสสาวะไม่ได้ก็ปัสสาวะใส่ไปตองแล้วมาลาดลงไปแย่แผลทยักข้ามเลือดได้ดีไม่เป็นแผลทยักษนะแต่ก่อนในพุทธเจ้าใช้อันนี้เลยว่ายัญยาดองนนหน้ามูดเน่าก็ปัสสาวะไว้เอาหอัตถ์สมองขมป้องไปดองใส่กันอาทิตย์แ่งกลิ่นน้าปัสสาวะจะไม่มีเป็นกลินยาไปเลย เป็นยาอวัตนะได้ถ้าอย่างนั้นก็มียาต้นสาบเสือเอามาขยำขยำไปน้มปัสสวะนิดหน่อยแล้วก็มาห้ามเลือดห้ามแผลทยักดะแจ้แผลทยะยักดาอันนี้เป็นโลกของรูปอายุจักชครูตัวเอง เรต่างๆคนเจอลูกบ้างก็ไม่ลูกมาเรียนกับหลงตาใชนีหมเรื่องยวสมุนไพรโจนี่โกวไว่กติกะดินทางที่ตะวันตกของหอัวใจนะไอ้ว่านจรารพัฒนาชักบดลูกดีมดากแน่จะงดลูกย่อนจะไปผ่าตัดอ่าหลงตาเอาว่านชักบดลูกให้ไปต้มจินไปตรวจไม่ได้ผ่าเลยงดโลกขด เพราะมัอย่าให้มันเป็นมันมีแหนงมันจะไปขุดเอาหัวมันมันมีสองชนิดชนิดที่เป็นหัวปุ้มปุ้ ม, มลงไปเนี่ยเขาเรียกว่นหดนัอันนั่นไม่ดีเท่ากับมีหัวอยู่แต่ว่ามีแหน่งออกมาแหนงน้อยๆเนี่ยเนี่ยดีไปหักเก่าซะอย่าไปขุดหักเอ า, ามาอันละสองข้อมือสามข้อมือข้อมือเดียวมา ร่างเดียวฝันกินกับข้าวทุกวันเป็นภาคไปในตัวผู้หญิงก็ดีผู้ชายก็ดีกินได้ใครเป็นไส้เลื่อนไส้อะไรผู้หญิงเป็นมดลูกเม่อไหรกินได้เลยก็รู้จักบ้างถ้าไม่รู้ก็ถามเราสิเราจะบอกก้านชักมดลูย์โลกยาพิษต่างๆมีมดดเดี๋ยนี่ยาที่นี่เราเอาไปจนหมดแล้ว วัวตเหลิงโกคานย่ารักษาโรคเอทกินอาหารก็จิ้นผักบ้างอย่าไปชอบผัดผัดทอดโทอดเกินไปอาหารที่ทอดเนี่ยไม่อยากให้เจนช่วยรักษาโรคช่วยดูยเองบ้างน้ามันที่ทอดแล้วทอดอีกเนี่ยอันตรายเป็นโรคมะเร็งได้อย่าไปทอดเกินไปร้องตาด่าลงทานอยู่กินทอดเี่ยโอ้ยคุ้งไปเลย ไม่ค่อยดีนะฝักมะละขี้นกเนี่ยสดๆเนี่ยกินลงไปรักษาม่เลงได้รักษาโรคเอดได้มะละขี้นกเนี่ยตกง่ายในวัดเราไม่ค่อยมีอ่เหลังให้ปลูกอยู่ปีนี้ปีหน้าคงไม่อดมะละขี้นกเนี่ยกินลงไปแล้วก็จักรนารายที่ปลูกไว้ตามเงาของเต้นถางที่ท่อที่ปลูก แก่วังกรน่ะเดินไปฉันอย่าเดินมือเปล่าเด็ดไปคนละยอดสองยอดเอาไปกินสดสดหรืออาหารฮอกปลอกไหวกติล่องตาลรอบอยู่นะเด็ดเอายอดสองยอดไปกินกินอาหารกินเป็นยาอาหารด้วยเป็นยาด้วยหรือผักติ้วถ้าเดินไปทางสายพานมาทางนี้ทาง คูทิศตวันตกของลงทานจะมียอดติ้วเก็บไปบ้างยอดมะโยมเก็บไปบ้างถ้าเดินไปทางนี้จะมีสมักเหร่อในผักเมกที่อยู่ข้างขัวมือซ้ายมือเด็ดยอดไปกินบ้างโอกักไว้เดินไปหงอยฉันเนะี่ยมีของกินน่ะของผักนะ่ะจิบจิบกว๋วยชนิดในครูสาะเนะี่ยเป็นของกินทางนั้นอย่ไปยอมอดเจ็บไปบ้างของเราเอง ไม่ต้องอาบาดตลวงตานี่เป็ น, นปงนผูกแรงเจ็ดสิบกว่าชนิดผักกินเอาไว้กินต่อไปเนี่ยเอกไม่กี่ปีสี่ปียี่สิบปีต่อไปหล่หนิ่งโคงเนี่ยจะหอมไปด้วยกิ่นดอกไม้ต้นตำรวนจานต้องถือผูกไว้ต้นพยมที่หลวงพ่อปูกไว้เกิดดอกหอมเป็นบังสวรรค์ยาหมอใหญ่ต่อไปก็แถวนี้จะมี บนหน้าพิา ก, าากลบนน้ามันจะต้อนรับคนเดินเข้ามากลาเป็นโรคความดันสูงความดันต่ำได้กินบนน้าหอมเข้าไปความดันต่ําความดันสูงจะปรับตัวดีเป็นยาหมอใหญ่ <c oughs> จริงๆนะไม่ต้องไปกินยาเดินมานี่จะเป็นยาไปเลยยาหมอใหญ่กินบนนาคมีนอยู่ต้อนรับของเรา ใครเดินเข้ามานี่ประตูสุนิตารนี่มาหายายาม้อยาหม้อใหญ่เฮ้ยรักษาโรคของกายโรคของใจนี่ไม่มีใครช่วยเราก็าต้องสาวเองเปลี่ยนความหลงเป็นความรู้เปลี่ยนความทุกข์เป็นความรู้เปลี่ยนควา ม, มโรรมกรธเป็นความรู้รักษาเอาอาอนนี่หมอช่วยไม่ได้เวลาเจ็บแพทได้ป่วยรักษาจะนี่กอไว้ก่อนเอาโรคของใจของนามในไว้ก่อนยึดไว้ก่อน เ้าด่าเลยบอกเลยว่าไม่ปีไม่เป็นอะไรกับอะยรมันเจ็บข้าก็เห็นมันเจ็บนะฮะมันปวดเทียนมันปวดมันร้อนเห็นมันร้อนมันหนาวเห็นมันหนาวให้ไปถงไห้บาลแล้วตอนั้ป่วยสองปีบอกว่าสะดกกล่วยไปเลยไม่ค่อยเดือดร้อนอะไรเอาตัว น, นี้ไว้ก่อนด้วยกรรมฐานยึดไว้ก่อนไม่ต้องเป็นอะไรกับอะไรหายเจ็ไม่ได้ก็ไม่ต้องกลัวมัน าหาความสุขความทุกข์เพราะหายใจาหาความสุขกับความทุกข์เพระไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ต้องอาศัยเช่งเหล่านั้นอาศัยในตัวมันเองใจอาศัยใจไปเองนี่เรียกว่าฝึกตนสอนต น, นมันเป็นของส่วนตัวของใครของมันมันช่วยกันไปได้จริงๆ จ, จริงให้มาทำกรรมฐานแบบนี้ํำหนอด40วันแบบนี้มันผิดอะไรไหมเนี่ยก็ ก็ดูแลกันนะอังตานี่จะอยู่หลังๆให้อาจารย์หนุ่มๆทั้งหลายเดินก่อนไปหมอดำออกก่อนหมอดรอ้ด่ำหลังแต่นี่นั่งมาได้แล้วอาาเยี่ยมนักปฏิบัติจารเหมือนก็ไปอาจารน้นก็ไปอาจารย์นัองเจ็บก็อยู่แล้วพอใจอยู่แล้วหลายลูกก็ออกกันอยู่แล้ว เดีย๋ยมาเฉยหลงตาเวลานี่้องตาเก่งที่สุดคือนอนเมื่อเวลาอายุมากเข้ามามันเป็นเด็กนะใช่ไหมเป็นเด็กอนะ่ะเด็กน้อยเนี่ชอบนอนใช่ไหมถ้านองได้เนื้อได้หนังแต่คนแก่นอนเนี่ยมีแต่ความอ่อนแอกินข้าวแทนที่มันจะมีกําลังเหนื่อยไปเลยอิย่มใหม่ๆกินข้าวอิ่มแล้วมันเหนื่อยมันพลังเราย่อยอาหารเนี่ยมันต้องใช้พลังมาก แต่ก่อนจินข้าวเรจับตามขวดต้องต้องจอบต้างเฉียมเลยอันนี้ไม่ได้ต้องพักข่อนอันอย่ายมาเอาอย่างหลงตาให้หัวดำดอกก่อนหัวดอนตามหลังไปกัน <c oughs> ดอกก่อนถังทางกันน้ำกลางหาเป <c oughs> ่าผู้โถๆน้องก้นอาอดูจำในว่าวข้นโบราณ น, นะฮะ คนต่กอก่อนคนหนุมทางทางไปเอยไปคนตามกลางก็สเสียงไปอะไรที่ทิ้งมามันเป็นเล่าเป็นของหมัวเมาเอามาให้คนนองกลาง ห, ห, หาบไปให้หับไปทิ้งเหวทิ้งโหงเฉยเป็นทีมสักหน่อยหลังเขาเล่นกีฬาเล่นฟุตบอลแบ็กหน้าแบกหลังจงหากันให้ได้เข้าโกเข้าประตูให้ได้ประตูคือบรรัคผลนิพพาน ความปาฏิาริดามของถอดทั้งหลายจงสำเร็จเถิดใอ้มีน้ำใจจะเห็นแก่ตัวดูคนนั่นดูคนนี่บ้างการสอนธรรมะจะให้ผลเนี่ยต้องได้ข้อมูลจากผู้ปฏิบัติพอสมควรนี่ก็ว่ามีผลเกิดขึ้นบ้างว่ามาพูดให้ฟังสองรูปสองรูปเขาก็ แย่างมานุ่มๆ น, น้อยๆอยแล้วก็ฟังได้ตอนนี้ต่องจริงมันไม่อยู่มันหลงมันก็รูปเนี่ยเห็นรูปเห็นนามอย่างเนี้รูปมันมีอะไรนามมีอะไรมีรูปมีเวทนามีสัญญาสังขาริญ ย, ยานรูปเวทนาสัญญาสังขารมีย า, ยานไม่เป็นรูปทํานามทำถ้ามันเป็นนามรูปนามรูปก็เกิดจาก าจต น, นะหนักพอใจสร้างขึ้นใหมุ่เวทนาสัญญาณัขาดมียึดบนันั่นเป็นนามรูปรูปดำกรรมรามันก็ไม่เป็นไรมันมีอุปทานประยุท์เอาความสุกความทุกขอนอนนะเรื่นามรูปเกิดดับก็ดับมันไม่มีเกิดอีกต่อไปได้ถ้าเราเหลือนูมมันจบเป็นจบเป็นบา้านสาวุลาการยกเลิกกันเลย กองเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณหันหลังให้กันไม่ต้องมาเจี่ยวข้องกันแยกกันเลยแต่ก่อนรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเหมือนมือหนิ้วช่วยกันจับตัวกันอยู่เนี่ยตอนนี้มันหายออกไปละเบิกกันเลยเป็นศักแต่ว่าไปเลยมันก็จบได้วยแต่นี้มันมีค่าในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่อวอทางเข้าไปยืด ถ้าเราไม่รู้มันมันเป็นพบเป็นชาติเกิดดับเกิดดับถ้าเรารู้มันก็จบทิ้นพบทิ้นชาติได้ในแต่ขันรุ่นรุ่นตัวเอเสละภาพเป็นธรรมาเทปไ ต, ต่อย่างเนี้ยหลวงพ่อเทียนสอนพวกเราเราก็เรียนตามเราได้ยินหลวงพ่อเทียนสอนเราวางปฏิบัติแล้วก็ได้ประโยชน์ โอ้เราอยากสอนคนอื่นให้รู้อย่างนี้นั่นก็อยากสอนคนอื่นไม่มีอะไรไม่มีเป้าหมายอะไรเพื่อการบอกความจริงแก่ผู้คนในเรื่องนี้กันอันเดื่นให้คนอื่นทาไปเราไม่ชำนาญบอกวเป็นผู้บอกผู้สอนตรงนี้เท่านั้นเองไม่มีอะไรมากไปกว่า น, นี้นี่เราอุตจาห เป็นพันโรงพ่อสถานที่ไปให้เนี่ยก็เพื่อการนี่โดยตรงอจรตรงสินสร้างรางเหงียนค้องเพื่อการนี่ทำเส้นทางไม่เดินร้อยแปดสิบเส้นร8 0ยแปดสิบทางลางเหงียนคองต่อต่อปลูกต้นไม้ให้แต่ก่อนก็เป็นตรงแยกข า, าป่าพงแมนบ่อแม่เพี้ยนต่วนรังส่า ง, างไฟไหม้ป่า แต่นี่ไม่ได้รับไฟแล้วอยู่เถอะนอนหลับสบายน้ําก็ใสแล้วแต่ก่อนน้าแดงแดงขนขนหญิงสาวเกาหลีมาอยู่ด้วยเขาอยู่ไม่ได้เลยอาบน้ําแดงหัวเป็นขวยวะดตาโกนผมทิ้งเลยมันกันๆหัวไปไม่ได้เอาแปลงมาขูดวอมอยู่ไม่ได้น้ามันแดงกลับไปเกาหลีจดหมายถามมาน้ำบริบาลสุโขทัยใสหรื อ, อยัง ถ้านา่าสนใเราจะกลับไปเองีกจะชหมายมาถามเราตอบไปให้ด้วย <laughs> ยังไม่มีใครตอบหรอกถ้าตอบไปเขาจะมาอยู่กับเรานั่นเนี่ยจะช่วยกัน